ช่วยกันประคองถาดทองเหลืองเดินเข่าเข้ามาหาในถาดมีก้อนหินสีนวลวางอยู่เป็นหินรูปทรงไข่ไก่แต่ว่ามีขนาดใหญ่กว่าสักประมาณสิบเท่าตัวเมื่อเขาเข้ามาในระยะหัตถบาตคนทั้งสองวางถาดลงแล้วก็กราบท่านพระครูสามครั้งฝ่ายชายถามขึ้นว่าหลวงพ่อคือท่านพระครูจเจริญใช่ไหมครับ แทนคําตอบเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงกลับถามว่าโยมมีธุระอะไรกับอาตมารึครับผมชื่อมอนตรีภรยาชื่อสุมาลีบ้านอยู่ที่ช่องแครแต่ไปสอนหนังสืออยู่ตาครีครับอ่อเป็นครูและไปไหนกันมาทานข้าวแล้วหรือยังยังไม่หิวคะ่ะครูสุมาลีตอบไม่หิวไม่ได้สิ ถึงเวลากินก็ต้องกินสมชายพาแกกไปทานอาหารหน่อยท่านหันไปสั่งลูกศิษย์วัดครูสองคนจึงต้องลุกขึ้นเดินตามในสมชายไปยังโรงครัวครูใหญ่จึงกลับมาที่กุฏิอีกครั้งท่านพระครูแปลงฟันว่นปากเสร็จแล้วและกําลังรออยู่จะเอาหินมาถวายอาตมาหรือว่าจะเอามาให้ปลูกเสก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 เรื่องมีอยู่ว่าสองผัวเมียได้ไปทําไร่ที่ตําบลหนึ่งของอําเภอนั้นไปปลูกกระท่อมอยู่ในป่าเมียเขาก็ไปเก็บหินมาสามก้อนจะเอามาทําเป็นเศร้าก่อไฟหุงข้าวพอทําเสร็จก่อไฟปรากฏว่าหินก้อนนี้มันร้องร้องว่ากูร้อนกูร้อนเอากูมาเผาทําไมเดี๋ยวกูจะหักคอมึงสองผัวเมียจึงเอาก้อนหินนี้ออก แล้วก็ไปหาก้อนอื่นมาแทนรุ่งขึ้นอีกวันหนึง่งก็ลองเอาก้อนนี้มาทำเศร้าอีกมันก็ร้องแบบเดียวกันกับวันวานเขาจึงเอาไปตั้งไว้ที่หน้าหิ้งพระตกกลางคืนเขาก็มาเข้าฝันว่าอยากไปปฏิบัติกรรมฐานที่วัดป่ามะม่วงขอให้พาไปด้วยสองผัวเมียก็ไม่รู้ว่าวัดป่ามะม่วงอยู่ที่ไหนจึงไม่ได้พาไป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 พระสงสารสองผัวเมียซึ่งมีท่าทางทุกข์ร้อนและก็วิตกกังวลมากคืนแรกที่อยู่บ้านเพื่อนผมก็เกิดเหตุการณ์แบบเดียวกันเพื่อนผมก็ยังไม่เชื่อคิดว่าฟังสองผัวเมียเล่าแล้วตัวเองก็เก็บไปฝันพอคืนที่สองก็มาเข้าฝันอีกเขาก็ชัดเจเอดใจแต่ก็ยังไม่เชื่อคืนที่สามก็บอกว่าพรุ่งนี้ จะมีเพื่อนมาจากตาครีให้ฝากไปกับเพื่อนถ้าไม่ฝากจะหักคอให้ตายหมดบ้านคราวนี้เพื่อนผมชักจะกลัวกวแต่ก็ยังไม่เชื่อและนึกไม่ออกว่าเพื่อนคนไหนจะมาหาเขาไม่เคยมีเพื่อนอยู่ตาครีคือเขารู้แต่ว่าผมอยู่ช่องแคร์ทีนี้ช่วงนั้นผมก็ไปเยี่ยมญาติซึ่งเป็นอำเภอที่ลำปลายมาศผมจึงแวะเยี่ยมเพื่อนด้วย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 หินก้อนนี้มาอยู่บ้านครูได้กี่คืนคืนเดียวครับผมมาถึงเมื่อวานตอนค่ำรุ่งเช้าก็นำมาที่นี่เลยแล้วเมื่อคืนมีใครมาเข้าฝันหรือเปล่าไม่มีครับไม่มีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นแล้วครูเชื่อหรือเปล่าผมยังไม่เชื่อครับแต่ถ้ามีคนมาเข้าฝันผมเหมือนอย่างที่เพื่อนผมเล่าก็อาจจะเชื่อและหลวงพ่อล่ะครับ หลวงพ่อเชื่อหรือเปล่าก่อนตอบคำถามท่านพระครูใช้เห็นหนอตรวจสอบซสก่อนแล้วจึงพูดว่าอาตมาเชื่อเท่าที่ฟังมาก็พอสรุปได้ว่าเป็นเรื่องจริงเพราะอาตมาเชื่อเรื่องจิตวิญญาณอยู่แล้ว ท่านอธิบายโดยพยายามไม่ให้เป็นการอวดอุตริมนุษยธรรมอาตมาคิดว่าหินก้อนนี้คงจะมีอายุรุ่นราวกล่าวเดียวกับที่เขานำมาสร้างปราสาทหินพนมรุง้งและก็คงจะมีวิญญาณสิงอยู่วิญญาณของผู้หญิงหรือผู้ชายข้าหลวงพ่อครูสุมาลีถามพรางมองไปที่ก้อนหินอย่างหวา ด, วด เข้าใจว่าเป็นผู้ชายเป็นคนหนึ่งที่ช่วยสร้างปราสาทหินพนมรุง้งแล้วเขาก็ถูกหินตกลงมาทับตายวิญญาณก็เลยสิงอยู่ที่ก้อนหินไม่ยอมไปไหนแต่เพื่อนผมเขาบอกว่าสองผัวเมียไปพบในป่านะครับครูมนตรีติงถูกแล้วมีคนมาขโมยไปจากปราสาทหินคงเป็นนักท่องเที่ยวเห็นรูปร่างแปลกๆเลยขโมยไป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 แต่ถึงจะไม่เห็นก็เชื่อและกลัวจึงกล่าวปฏิเสธพร้อมกันว่าไม่ต้องหลอกครับไม่ต้องหลอกค่ะอ้าวอาตมาพูดกับเขาได้นะ่าจะบอกให้ท่านเจ้าของกุฏิพูดยิ้มยิ้มและพูดกับชายที่หมอบอยู่ต่อหน้าหากในสายตาของครูคนดูเหมือนท่านกําลังพูดกับก้อนหินเชิญอยู่ตามสบายนะอยู่ที่กุฏิอาตมานี่แหละ แขกไปใครมาจะได้คอยต้อนรับและอาตมาจะสอนกรรมาฐานให้จากนั้นท่านก็พยักหน้าช้าๆพลางออกเสียงเออออเหมือนว่ากำลังฟังก้อนหินพูดครูสองคนมองหน้ากันพรางนึกในใจว่าหลวงพ่อองค์นี้ถ้าจะเพี้ยนท่านพระครูรีบหันมาแก้ว่าอาตมาไม่ได้เพี้ยนอาตมากำลังคุยกับเขาจริงๆ ไม่เชื่อ ก, ก็เอาหมอมาเช็คดูก็ได้ว่าอาตมาเป็นโรคประสาทหรือเปล่าคำพูดของท่านพระครูทำให้คนฟัง ง, งุนงงแล้วครูมนตรีก็พูดในใจว่าอ๋อพระอภินยาหลวงพ่อองค์นี้คงต้องได้อภินยาเขาวานอาตมาให้ช่วยขอบใจครูบอกแล้วจะตามไปให้หวยที่บ้าน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 แต่ครูมนตรีกลับคิดไปว่าท่านหมายถึงตัวเขาจึงรีบออกตัวว่าครับต่อไปนี้ผมจะเลิกเที่ยวเตร่เลิกเป็นคนสำเเลเทมเอาอยางเด็ดขาดเพิ่งจะรู้สึกตัวเดี๋ยวนี้เองว่าที่แล้วแล้วมานั้นน่ะเขาไม่ได้ทําตัวให้เป็นที่ชื่นชอบของลูกเมียเท่าใดนักสาธุขอให้ทําได้จริงๆเธอหนูขอนหมนหลงพ่อเป็นพยานด้วยนะคะ ครูสุมาลียกมือขึ้นสาธุพร้อมกับรัตนาท่านพระครูให้เป็นพยานตกลงอาตมาจะเป็นศักขีพยานให้อ่อและอาตมาจะขอบินทบาทอีกเรื่องหนึง่งคือเรื่องสูบบุหรี่อยากให้เลิกเสียเพราะมันมีแต่โทษหาประโยชน์ไม่ได้เลยครับผมสัญญาว่าจะเลิกให้หมดครูหนุ่มรับคาด้วยศรัทธาในท่านพระครูยิ่งนัก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 ผมจะโกรธผู้ที่หวังดีต่อผมได้อย่างไรเป็นบุญของผมเหลือเกินที่ได้มารู้จักหลวงพ่อปกติผมเป็นคนรั้นพ่อแม่สั่งสอนก็ไม่เคยเชื่อฟังแต่หน้าแปลกที่มาเชื่อหลวงพ่อได้ก่อนนี้ผมไม่ค่อยนับถือพระสักเท่าไราทำไมถึงเป็นอย่างนั้นละ่ะก็ท่านทำให้ผมหมดศรัทธานะครับขอประทานโทษหลวงพ่อรู้จักหลวงตาอ้อนไหมครับ เขาเอ่ยนามภิกษุรูปหนึ่งซึ่งกิตติศัพ์ของท่านเป็นที่รู้จักดีกิตติศัพ์ในทางลบรู้จักสิทำไมจะไม่รู้จักท่านออกดังนั่นแหละครับผมแทบจะเลิกน้ำถือพระก็เพราะหลวงตาอ้อนนี่แหละผมไม่เล่าดีกว่าปเดี๋ยวหลวงพ่อหาว่าผมว่าพระว่าเจ้าแต่ถึงครูมนตรีจะไม่เล่าท่านพระครูก็รู้ เพียงแต่ท่านอยากรู้ท่านก็รู้ได้หากเรื่องที่อยากรู้นั้นไม่เกินความสามารถของเห็นหนอท่านรู้ว่าที่ครูมนตรีผิดใจกับหลวงตาอ้อนเพราะถูกฝ่ายนั้นยืมเงินและไม่ใช้คืนเป็นเงินค่อนข้างมากและที่สำคัญกว่านั้นก็คือมันไม่ใช่เงินของครูมนตรีเองแต่เป็นเงินที่ยืมเข้ามาจากมารดาอีกทีหนึง่ง แต่เดี๋ยวนี้ผมนับถือพระแล้วครับอย่างน้อยผมก็รู้ว่าพระดีๆยังมีอยู่นี่ถ้าไม่ได้มาพบหลวงพ่อความคิดเช่นนี้คงยังไม่เกิดครูมนตรีพูดด้วยความรู้สึกที่ออกจะมาจากจิตใจดีแล้วที่ครูคิดได้อย่างนี้เพราะคนที่ไม่นับถือพระนั้นได้ชื่อวาบาปไปครึ่งหนึ่งแล้วบาปอย่างไรคะหลวงพ่อ ครูสูมาลีถามบาปในแง่ที่ว่าจิตเป็นอกุศลนะสิครูเจ้าอาวาสวัดป่ามาม่วงตอบครูสุมาลีพยักหน้าช้าๆเป็นเชิงเข้าใจเรื่องที่ท่านพูดอัตมาขออนุโมทนาด้วยที่ครูหันมานับถือพระอีกเท่ากับเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลให้ตัวเองเหมือนกันที่จริงคุณพ่อคุณแม่ครูท่านก็เป็นคนดีนะ ดีมากเสียด้วยทำไมครูไม่เอาเยี่ยงยางท่านละ่ะจริงไหมครูท่านถามครูสุมาลีจริงค่าหลวงพ่อคุณพ่อคุณแม่เขาแสนจะดีและที่หนูยอมแต่งงานกับเขาก็เพราะคิดว่าเขาคงดีเหมือนคุณพ่อคุณแม่คนเป็นภรยาถือโอกาสเล่นงานคนเป็นสามีเอาละเอาละต่อไปนี้เขาจะเป็นคนดีแล้ว เรื่องเก่าอย่าเอามารื้อฟื้นท่านพระครูปรามเมื่อเห็นคนที่ถูกว่าถึงตาเข้าใส่คนเป็นภรรยาพลางเถียงในใจว่าก็ทำไมไม่แต่งกับพ่อแม่ฉันซะเลยล่ะผมเห็นจะต้องกลับก่อนละครับวันหลังจะหาโอกาสมากราบหลวงพ่ออีกคนรำคาญภรรยาพูดขึ้นจเจริญพรแล้วก็ไม่ต้องไปทะเลาะกันนะ เลิกทะเลาะกันเมื่อไรเมื่อนั้นจะรวยท่านชิงห้ามไว้สิก่อนโดยรู้ว่าคนคู่นี้ทะเลาะกันเป็นประจำค่ะหนูจะเลิกทะเลาะกับเขาแล้วค่ะครูสุมาลีตอบเพราะอยากรวยอ๋อขับรถขับราอย่าให้เร็วเกินไปรู้สึกว่าครูชอบขับรถเร็วเป็นวัยรุ่นเชียท่านเตือนอีกครูมนตรีรู้สึกประหลาดใจ ที่ท่านรู้เกี่ยวกับตัวเข้าไปเสียทุกเรื่องและในความประหลาดใจนั้นศรัทธาประสาทะาก็มีต่อภิกษุรูปนี้ดูเหมือนจะยิ่งเพิ่มพูนมากขึ้นนั่นสิคะหลวงพ่อกรุณาปรามด้วยเถอคะ่ะหนูพูดหนูบอกเขาก็ไม่เคยฟังยิ่งว่าเหมือนยิ่งยุครูสุมาลีถือโอกาสรายงานความประพฤติของสามีอีกครั้งหลวงพ่อครับผมเบื่อคนช่างฟ้องจัง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 ไม่แย่หรอกครับหลวงพ่อทิ้งคนนี้แล้วผมก็ไปหาคนใหม่รับรองว่าให้สวยกว่าผอมกว่าคนนี้อีกผมทําได้จริงๆนะครับพูดพลางชำเลืองไปทางผู้หญิงร่างท้วมที่นั่งถัดจากตนอาตมารู้ว่าครูทําได้แต่คุณภาพมันไม่เหมือนกันหรอกนะถ้าเก่าหนะมีค่ามากกว่าเหมือนเครื่องลายครามไง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 เห็นเขาไม่เถียงท่านพระครูจึงกล่าวสรุปแบบยาวๆว่าเอาล่ะไม่ต้องไปหาคนใหม่ให้เหนื่อยคนนี้แหละดีแล้วคนใหม่ก็จะมารักลูกเราหรือเปล่าเชื่ออาตมาเถอะแล้วก็เลิกทะเลาะกันเสียเลิกไดเมรัยรับรองหว่ารวยเหมือนนั้นอาตมาแนะนำให้รวยมาหลายคู่แล้วท่านพูดอย่างรู้ใจเพราะธรรมดา ของปุตุชนนั้นเรื่องร่ำรวยจะต้องมาก่อนเสมอหลังจากนั้นธรรมะจึงจะตามมาค่ะหนูจะเลิกทะเลาะ ก, กับเขาอย่างเด็ดขาดครูสุมาลีรีบตอบกระบวนการอยากรวยไม่มีใครเกินเธอผู้นี้ผมกราบลาละครับสามีกับภรยากราบเบญจางคประดิษฐ์ามครั้งแล้วลุกออกมาเมื่อรถมาถึงถนนใหญ่ คนขับรถก็แกล้งขับชนิดเต่าคลานยังเร็วเสี ก, กว่าคนเป็นภรยาคิดว่ารถเสียจึงถามขึ้นว่ารถเป็นอะไรลรืคะคุณไม่เป็นไรหรอกก็คุณไม่ชอบให้ขับเร็วก็เลยขับช้าๆคนตอบยวนอย่างเห็นได้ชัดคนถามไม่พูดอะไรอีกนึกถึงคําพูดของท่านพลระครูที่ว่าจะเลิกทะเลาะแล้วจะได้รวยจึงจําต้องนิ่ง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 บ้างก็มาเพื่อถวายของอาจจะเป็นข้าวปลาอาหารหรือปัดใจบ้างมาเพื่อสนทนาธรรมบ้างก็มาเพื่อธุรกิจการทำมาหากินและบ้างก็มาปรึกษาปัญหาชีวิตโดยเฉพาะเรื่องครอบครัวซึ่งคนพวกหลังนี้ส่วนใหญ่จะมีอาการของโรคประสาท ต, ติดตัวมาด้วยพระบุยเยวให้สมญาคนเหล่านี้ว่า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 หลวงพ่อครับเป็นพระไปรับฟังปัญหาทางโลกได้หรือครับพระบัวเหียวถามเชิงติติงทำไมจะไม่ได้เล่าเพราะมันเป็นธรรมะเหมือนกันคำว่าธรรมะนั้นอะนอกจากจะหมายถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ยังหมายถึงธรรมชาติอีกด้วยเพราะสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงสอนก็คือธรรมชาติพระองค์ไม่ทรงสอนในสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมชาติ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 เพราะเกิดจากการปรุงแต่งของเหตุปัจจัยพระพุทธศาสนาไม่เชื่อว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะเกิดขึ้นโดยปราศจากเหตุปัจจัยอย่างเรื่องกรรมเป็นเรื่องของธรรมชาติใช่ไหมครับถูกแล้วฉะนั้นคนที่ไม่เชื่อเรื่องกรรมไม่เชื่อเรื่องผลของกรรมเขาก็ต้องถูกธรรมชาติลงโทษเธอคงเห็นแล้วไม่แช่หรือว่าทางโลกกับทางธรรมไม่ได้ขัด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 ที่พระช่วยแก้ปัญหาให้ชาวบ้านแต่ก็ต้องแก้ให้ถูกจุดต้องให้ตัวเองอยู่เหนือปัญหาอย่าลดตัวเองลงไปพัวพันจนกลายเป็นเรื่องเสื่อมเสียขึ้นคือช่วยได้แต่ต้องช่วยอย่างมีสติใช่ไหมครับถูกแล้วมีสติมีความสำคัญมากการมีสติให้รู้ตัวทั่วพร้อมอยู่เสมอจึงจำเป็นจะเรียกว่าจาเป็นที่สุดก็ได้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 พระบัวเฮียรู้สึกมีกำลังใจขึ้นแต่ก็อดที่จะพูดออกมาจากความรู้สึกของตนไม่ได้ว่าดูเหมือนว่าผมยิ่งฝึกกิเลสมันยิ่งเพิ่มดูท่าทางมันจะไม่ยอมหมดไปง่ายๆเลยนั่นแหละฉันถึงบอกว่าเธอก้าวหน้าคนที่ไม่ฝึกเขาจะไม่รู้หรอกว่ากิเลสในตัวเขานั้นมีมากเพียงไรกิเลสมันมีทั้งอย่างหยาบและก็อย่างละเอียด ยิ่งละเอียดก็ยิ่งขจัดออกยากกิเลสอย่างยาเป็นกิเลส ท, ทางกายวาจาอันนี้ใช้ศีลชำระล้างออกได้แต่กิเลสอย่างละเอียดต้องใช้การฝึกอบรมเพื่อให้เกิดปัญญาเมื่อปัญญาเกิดก็จะสามารถขจัดกิเลสอย่างละเอียดซึ่งเป็นกิเลส ท, ทางใจออกไปได้และการที่ปัญญาจะเกิดได้ก็ต้องให้จิตสงบเสียก่อน การฝึกสติก็เพื่อให้จิตสงบเที่ยวเรียกว่าการฝึกสมาธิการปฏิบัติจึงต้องมีพร้อมทั้งศีลสมาธิและปัญญาเที่ยวเรียกว่าการฝึกอบรมแบบไตรสิกขากิเลสอย่างละเอียดเนี่ยขจัดยากนะครับเธอเคยร่อนแป้งไหมละ่ะการร่อนแป้งนั้นร่อนเท่าไรก็ยังมีกากเหลืออยู่ไม่ว่าจะใช้ตะแกรงขนาดไหน แล้วก็จะร่อนสักกี่ครั้งก็ต้องมีกากเหลือทุกครั้งเพราะกากนั้นมันจะละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นตามจำนวนครั้งที่ร่อนการฝึกอบรมทางจิตก็เช่นเดียวกันยิ่งเราปฏิบัติละเอียดเท่าไรกิเลสมันก็ละเอียดตามการกำจัดกิเลสให้หมดไปโดยสิ้นเชิงจึงเป็นเรื่องที่ทําได้ยากและก็ต้องใช้ความเพียรสูง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 ที่ถูกต้องออกเสียงว่าอารหันจาไว้ที่หลังจะได้แมวเรียกผิดผิดให้ผู้รู้เข้าติเตียนได้ครับผมถ้าอย่างนั้นผมขอกราบลากลับกุฏิละครับอ้าวจะรีบไปไหนละ่ะยังไม่ทันมีเรื่องเลยจะกลับใช่แล้วท่านพระครูพูดยาวๆจะรีบไปร่อนแป้งครับผมสิ์ตอบแล้วก็ก้มลงกราบสามครั้งจึงลุกออกไป